บุคคลผู้มีอิทธิและปุริสชาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธิสีของบุคคลนั้นในภูม <navigate S 1> ินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิ <Independ S 1> ทธิเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่อิทธิ์ศีลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะและอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสิลสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทธินศีกไไ็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุกอิทธิศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิติศีลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ อิทธิ์ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูม <lem os. S 2> <jak any> an ินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทร์ศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติอิทถิ์ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทร์ศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทถิ์ศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ อิทธิสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสเสินสีของบุคค ล, น, ล น, คค น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัส ก, กาลังอุบัติอิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัสเสินสไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากโสมนัสกําลังอุบัติ อิทธินิสัยของบุคคลเหล่าน sí ั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินิสของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดได้แต่ไม่ถิปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินิสัยไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากสมนณะกําลังอุบัติสมนะสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทธินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบคากําลังอุบัติ อิจิีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปกิ้นสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติอิจินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกิ้นรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิอุเปกิ้นรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด อิทธิ์ศีของบุคคลนั้นในภูมินั milk, ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบ <Skills. S 1> <bait swing. S 2> ัติอุเบกิณรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธิรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอุเบกิณรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 และเป็นอเหตุกะกำลังอุบัติอิทินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสัตทินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะแต่มีอิทธเกิดได้กำลังอุบัติสัทินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิด แต่อิทินซ <ints> ีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นอเหตุกะและอิทธิเกิดไม่ได้กาลังอุบัติอิินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทินซีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิดปัญญรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทิเกิดไม่ได้ แต่เป็นญาณสัมปยุ์กำลังอุบัติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นญาณวิปยุ์กำลังอุบัติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปัญญรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด อิทธินิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินิสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทธินิสีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อ น, นุอิทินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดนใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด และมนิีสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมิีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินิยามูลกะในจบปุริสินิยามูลกะในสองร้อยสามสิบสี่อนุปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิด ชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้กับนองอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ป body, ุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้แต่มีจิเป็นโสมณตกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมณสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กํำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้และมีจีปราศจารสมนักกาลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมนักสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโสมนักสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้ แต่มีจิตปราศจากสมนักกำลังอุบัติโสมนักสินสีของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสจาเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากสมนักกำลังอุบัติสมนมักสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด อุเบกขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกขินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสจะเกิดได้ได้มิจิตปราศจากอุเบคากำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้แต่เป็นสเหตุกะกำลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตตินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสชาเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุถุกะกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตตินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสัตตินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม บุคคลผู้เป็นอเหตุถูกะแต่มีปุริจ่าเกิดได้กำลังอุบัติสัถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นอเหตุถูกะและมีปุริจะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสถินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ ปุริจินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริจะเกิดไม่ได้แต่เป็นญาณสัมปยุสกําลังอุบัติปุริจินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญินรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริจะเกิดไม่ได้และเป็นญานวิปยุสกําลังอุบัติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กำนังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีปุริจะเกิดไม่ได้กำลนงอุบัติปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสิ น, นีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริจะเกิดไม่ได้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติ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 ปุริส uh ินทริยม <Freder> ูลกะในจบชีวิต you know? ินทริยมูลกะในสองอหอนุชีวิตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสสินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตสินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตสินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุ ชีวิตจริงของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเบกินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตจริงของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาในปรวติการ อุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทร์สีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิดาไม่ใช่กำลังเกิดสถินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ สทินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุตกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตสินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการ สัจจินทีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปัญญินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นญานวิปยุทธกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากยานในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรียามูลกะในจบโซมนศ ส, สินทรียามูลกะในสองอสาสอนุโซมนศ ส, สินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม บุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุตธ์ด้วยอุเบกขาในปวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์คณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุทธ์จากโสมนัสและอุเบกขาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และอุเบกินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมนณสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นสมณ์กำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนณ์ในประวัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมณสินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังคาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุทธแจกอุเบคาและสมนัตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ ส, สัญญาสัตต ภ, ภูมิอุเบขินรียของบุคคลเหล่านั้นใน ภ, ภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมนัติสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสมนัตสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุกะ แต่ไม่จีบปราศจากโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัตและสัมปยุจด้วยศรัทธาในประวัติการโสมนัตสิ้เสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค ข, ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัตและศรัทธาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตภูมิ สมนณสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตตินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิส right? ัตตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาและที่สัมปยุจได้สมนณตในปรวัติการสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สมณสินสีไม่ใช่มีื้อกำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากสัทธาและสมนณบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญสัตตภูมิสถินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมนณสินรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสมณสินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่ไม่จิตปราศจากโสมนัต ก, กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตและสัมปยุตด้วยญาณในประวัติการโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตและญาณบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ สมัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมนัสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิ ด, ใ, ใ, ชกกดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีจิตเป็นสมั์กำลังอุบัตในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณและที่สัมปยุตด้วยสมั์ในประวัติการ ปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมนณสินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปะทะาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากยานและสมนัตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถ ภ, ภ, ภูมิปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมนณสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอ น, นุสมนณสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด มณีนิรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปรา ะ, ะจากโสมนัติกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิป ย, ยุจากโสมนัติในประวัติการโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนิทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนิทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมนณสินสีของบุคลคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่สมนณสินทรุรยามูลกะในจบอุเปขินทรรยามูลกะในสองสามสอนุ อุเบกินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัดทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตปราศจากอุเบกขาแต่เป็นเหตุตกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาและที่สัมปยุจด้วยศรัทธานในประวัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัดทินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาและศัทธาบุคคลผู้อุบัอยในอาศัยในสัตูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุถูกะ แต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิป ย, ยุจจากศรัทธาและที่สัมปยุจด้วยอุเบกขาในปรักฏการสัจฉิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิป ย, ยุจจากศรัทธาและอุเบกขาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันในสัตต ภ, ภูมิ สัตินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเบกินศีก็ไ ม, มไม่ใช่กําลังเกิดอนุอุเบกินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปานินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่ไม่จิตปราศจากอุเบคากําลังอุบัติในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุย์จากอุเบคาและที่สัมปยุตด้วยยายในประวัติการ อุเบกินร <ăn> ีของบุคคลเหล่านั้นในภูม <t> ิน <t> ั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพันธะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุติจากอุเบคาและยานบุคคลผู้อุบาจึในอสัญญัตถภูมิอุเบกินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปัญญินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด อุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นยาณวิปยุตแต่มิจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากยานและที่สัมปยุตด้วยอุเบขาในประวัติการปัญญรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกินสีมิใช่ไม่กำลังเกิดในพันธขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากยานและอุเบขา บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกขินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอุเบกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมณิ น, นรียของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มิจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบตัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาในปวัติการ อุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้อุปาจุณในอาศัยในสัตตภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ อุเปกินทรีย์มูลกะไนจบชาตินทรีย์มูลกะไนสองร้อยสามสิบปอนุชาตินจีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปัญญรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชาตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่เป็นเหตุตกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานและที่สัมปยุต ด, ด้วยศรัทธาในปวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์คณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานในศรัทธาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ มรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตยินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสัตยินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิดาไม่ใช่กำลังเกิดมนิณีจีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะได้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาในประวัติการสัตยินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่มนินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้อุปาติอยู่ในอสัญญัตตพูมิสถินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทร์ศีลก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนินทร์ศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสถินทร์ศีลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่สถินทรียมูลกะในจก ปัญญินทะริยะมูลกะในสองอสสิบอนุปัญญินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตยแต่มิจิตเกิดได้กำลังอุบัติในอุปาทัพนาแห่งขิตที่วิปยุตยจากยานในประวัติการปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินซียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังคะขนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้อุปบาอยู่ในอาศัยใสัตวภูมิปัญิีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนรียีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมณีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญนทริยะมูลกะในจบ ตีตะวาระอนุโลมบุคคลจะคุนเทียยะมูลกะในสองอสี่สิอนุจะขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินรีของบุคคลใดเคยเกิดจะขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจะคุนสีของบุคคลใดเคยเกิด คาเนนซีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคาเนนรียของบุคคลใดเคยเกิดจากคุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากคุนสีของบุคคลใดเคยเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทธินรีของบุคคลใดเคยเกิดจากคุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากคุณสีของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจากคุณสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากคุณสีของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรียของบุคคลใดเคยเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสสินศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติโสมนัสสินศีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดโอเบขินศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่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 จากคุณทรียะมูลกะในจบค่านินทรียะมูลกะในสองอสออนุค่านินสีอิทินสีปุริสินสีชีวิตินสีโสมนัสินสีอุเปกินสีสัตตินสีปันญินสีของบุคคลใดเคยเกิดเมนินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิเมนินทรียของบุคคลใดเคยเกิด ปัญญินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ vive, ใช่คาณินทริยะม Belgian ูลกะในจบอนุโลมโอกาสจกขุนทริยะมูลกะในสองอสี่สิบสองอนุจกขุนสีในภูมิใดเคยเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินรี์ในภูมิใดเคยเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ อนุจากขานุนศนะีในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีเคยเกิดแต่คานินทรียไม่เคยเกิดในกรมวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีเคยเกิดและคานินรียก็เคยเกิดปฏิคานินรียในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จกขุนศีในภูมิใดเคยเกิดอิทธินสีปุริสินศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจะขุนสีเคยเกิดแต่ปุริสินศีไม่เคยเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นจะขุนสีเคยเกิดและปุริสินศีก็เคยเกิดปฏิปุริสินศีในภูมิใดเคยเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากขุนศีในภูมิใดเคยเกิดชีวิตจินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตจินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาัตภูมิและรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตจินทรีย์เคยเกิดแต่จากขุนสีไม่เคยเกิดในปัญจโวกะรภูมิในภูมินั้นชีวิตจินทรีย์เคยเกิดและจากขุนสีก็เคยเกิดอนุ จากขุนสีในภูมิใดเคยเกิดสมนณสินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมนณสินศีในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีในภูมิใดเคยเกิดอุเปขินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินสีในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิในอรูปภูมิในภูมินั้นอุเปขินซีเคยเกิดแต่จากขุญซีไม่เคยเกิดในปัญจววกะรภูมิในภูมินั้นอุเปขินซีเคยเกิดและจากขุญซีก็เคยเกิดอนุจากขุนซีในภูมิใดเคยเกิดสัตถินซีปัญญินซีมนินซีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินซีในภูมิใดเคยเกิด จากขุนศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นมณีศีเคยเกิดแต่จากขุนศีไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมณีศีเคยเกิดและจากขุนศีก็เคยเกิดจากขุนทริยะมูลกะในจบขานินทริยมูลกะในสองรอสสอนุขานินรีในภูมิใดเคยเกิด อิทถินีบุริสินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิบุริสินรียในภูมิใดเคยเกิดคานินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินทรียในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีเคยเกิดแต่คาินนรีไม่เคยเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีเคยเกิดและคาินนรีก็เคยเกิดอนุคาินนรีในภูมิใดเคยเกิดสมณสินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินรีในภูมิใดเคยเกิด คาเนนซีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเนรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสมณสินซีเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นสมณสินซีเคยเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดอนุคาินทรียในภูมิใดเคยเกิดอุเปขินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินรียในภูมิใดเคยเกิด คานินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินรียเคยเกิดแต่คานินทรียไม่เคยเกิดในกลามวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินซีเคยเกิดและคาน์เนทรียก็เคยเกิดอนุคานินนซีในภูมิใดเคยเกิดสตินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สแต น, นรียในภูมิใดเคยเกิดคานินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ ar, ในรูปปวจรภูมิและอารมปาวจรภูมิในภูมินั้นสแินรียเคยเกิดแต่คาร์นินซีไม่เคยเกิดในกาโมวจรภูมิในภูมิ น, market, น, ออนั้นสแินรียเคยเกิดและคาร์นินซีนก็เคยเกิดอนุคาร์นินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปันยินรีมันยินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ มนินทรียในภูมิใดเคยเกิดคาณีนทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจ ร, ภ, ร, ร, รวจ ภ, ภูมิในภูมินั้นม น, others, นินรียเคยเกิดแต่คาณีนทรียไม่เคยเกิดในการมวจรภูมิในภูมินั้นมนินรียเคยเกิดและคาณีนรียก็เคยเกิดคาณนทริยมูลกะในจบอิธินทริยมูลกะใน สองอยสีิบสีนุอิทธินีนพูมิใดเคยเกิดปุริสินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุปริสินีในภูมิใดเคยเกิดอิทธินีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินิทริยมูลกะในจบปุริสินิทริยมูลกะในสองอยสี่สิบห้าอนุปุริสินีนพูมิใดเคยเกิด ชีวิตินทรียีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ในภูมิไดเคยเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีเคยเกิดแต่ปุริสินทรียีไม่เคยเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีเคยเกิดและปุริสินทรียีก็เคยเกิดอนุ ปุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดสมนัสสินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมนัสสินสีในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสมนัสสินสีเคยเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดในความวาวจรภูมิในภูมินั้นสมนัสสินสีเคยเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดอนุ ปุริสินีในภูมิใดเคยเกิดกุเปกินีสตทินีปานินีมนินทีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินีในภูมิใดเคยเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินีเคยเกิดแต่ปุริสินีไม่เคยเกิดในกลางาวจรภูมิในภูมินั้น มนณีศีเคยเกิดและปุริสินศีก็เคยเกิดปุริสินธริยมูลกนัยจบชีวิตินธริยมูลกนัยสอง้อยสี่สิบหอนุชีวิตินทรีย์ในภูมิได้เคยเกิดสมณรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินรีย์เคยเกิดแต่สมณรีย์ไม่เคยเกิดในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรียีเคยเกิดและสมณสินทร์สก็เคยเกิดปฏิสมณสินทร์สในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทร์สีสัทินทร์สีปัญญินทร์สีมณินทรียีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิด มนินทรียีไม่เคยเกิดในจกตโตวาการภูมิและปัญจโวาการภูมิในภูมิ น, นั้น ช, ชีวิตินทรีย ah. ์เคยเกิดและมนินทรียีก็เคยเกิดปฏิมนินทรียีในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตินทรียามูลกะในจบโสมนัสสินทรียามูลกะในสองอสี่สิบเจอนุโสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิด ปูเปกินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปูเปกินรีในภูมิใดเคยเกิดโสมนสินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโสมนสินรียในภูมิใดเคยเกิดสัจจินสีปัญญินรีมณินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรีในภูมิใดเคยเกิดโสมนสินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่โสมนันสินธรียะมูลกระในจบอุเปขินทรียะมูลกะในสอง้อยสี่สิบปดอนุอุเปขินสีในภูมิใดเคยเกิดสัตถินรีปัญญินรีมณินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินสีในภูมิใดเคยเกิดอุเปขินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ อุเปกินธริย <non> มูลกะในจบสถินธริยมูลกะในสองร้อสี่สิอนุสถินจีในภูมิไดเคยเกิดปัญญรียมณินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรียในภูมิไดเคยเกิดสถินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สถินธริยมูลกะในจบปัญญธริยมูลกะใน สองอหอนุปัญญินรียในภูมิใดเคยเกิดมณีซีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณีซีในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทริยะมูลกะในจบ